ท่านสาธุชนพูทถบริษัททั้งหลายรละประโยชคาวจจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยาขอนำเอาเรื่องเรื่องของทมิเก่าบาศกมาเล่าสู่กันฟังต่งตอไปความจริงเรื่องทมิเก่าบาศกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้หวันนี้ก็จบได้ แต่ว่าเราคุยกันในฐานะมาปศึกษาไม่ใช่นล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านทรทีิเก่าบาศกกกำลังสนทนานอยู่กับลกูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพอหรือพ่อกลัวแต่ความตายยิ้มยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลาย แต่ว่าท่นานธรรมิเก่ามารศกมจิวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วที่ได้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองมาเห็นพระสวดมนต์มีความสงสัยยิงถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามเสียแล้วบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเจ้าไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมด ให้จริงเลตแสดงว่าการที่ห้ามในความจริงไม่ได้ห้ามพระเพราะห้ามเทวดาที่ดด ส, งส่งเสียงเอะไวไวายต่างหากลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทว ด, ดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทว ด, ดาชั้นดุสิต อันเป็นที่อยู่ของพระโพธิษัตว์และพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้าเรื่องรถของเทวดาชันดูสิอยู่ที่ไหนก็ขอให้พุมอะไรที่โยนไปคลอนหงอกแล้ว้องงอนรถไม่ลูกทั้นหลายพากันปฏิบัติตามพุมอะไรก็ลองแต่ลูกมองไม่เห็นรถ มองไดเห็นพวมลัยหยุดนี่อยู่มอากาศท่นยังกล่าวว่านั่นแหละเป็นเสือพวงมลยัยเป็นรถอยของเทวดาชั้นดุสิตรเราจะขอลาเจ้าทั้งหลายไปอยู่ชันดุสิตตั้งแต่บัดนี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใครไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา เป็ น, น้นุ่าชีวิตก็แท่งเคลื่อนจากร่างกายแลว้วก็ไปเกิดบนชั้นดูสิตที่พบมีร่างกายสูงสามข่าวุฒิ300สามร้อยเซนประดับด้วยเครื่องอารัางการประมาณหกสิบเลี้ยงเปลี่ยนตายเดี๋ยวนั้นเกิดเดี๋ยวนั้น <c oughs> มีนาสอนพันหนึ่งแมดล้อมแล้ว มีมานแก้วประมาณ2ี่ห้ายอปรากฏเป็นที่อยู่ของทกษ์ข้าวที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อคาที่แล้วเป็นว่ามันเมื่อบันดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบธที่แก้วจยงได้มีแทพระพุทธมัน อย่าตัดถามว่าพิกเวดูก่อนวิสุท์ทั้งหลายมนด้อนุบาสทมิกก้าบารสุขไดฟังทแล้วเรืยังไงมรด้ิสุท์ทั้งหลายได้ฟังแล้วยังกราบถูนองสมเด็จพระพุทธเจ้าว่าพันตีข้าแต่ผู้พระเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าอนุบารส ในขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่อนุบาโสุได้ห้ า, ามพระเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนครับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตทินได้คุมบาสุก็พากันร้องไห้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาส เกณฑ์ลูกจะอาสนะมาในขณนะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพิฆวิโดูก่อนีิสุทโธหลายอุบาสขนั้นจะได้กล่าวคำทักทานห้ามปรามพวกเทก็หามไม่ท่า น, นี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้าทางหลายหกชั้นต่างคนต่างอารุธมารับชั้นละคัน วรนดาคือวนาคนเล่นก็นั่งในโลดเต็มต่างคนต่างชเชื่อเชิญท่นธรรมิกะอมบาศกว่าขอท่านธรรมิกาอุบาศกเจงไปแกขาาา่ข้าบ aja ขเ a ้ า, าไปทวัรดาฉันจาตุมหาราชอีกใครกล่าวว่าขอท่านธรรมิกะอมบาศก์ไปแก่ขเ aja ขเจ้ า, า, าไปทวันลาฉันดาวดึง เ้าเจ้าเทวดาชั้นยามาเข้าพเจ้าเปงเทวดาชั้นดุสิตเช้าเจ้าเป็นเทวดาชั้นลิมาละดีเช้าเจ้าเป็นเนี่ยเทวดาประณิมิตวสอดดีร้องแค่เสียงให้ใส่กรบเสียงธรรมเมื่อเธอไม่ปรารถนาจะฟังเสียงเทวดาก็เสียงเทรดากรบเสียงธรรมยิงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นไปรอก่อนรอก่อน กันได้พิสูจนั้นหลายมีเพียงกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตร่าเป็นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตัดว่าเป็นอย่างนนั้นเธอที่สุดทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอุบาศกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศา ส, สดาเจเนด้มีพระดีเกดีกาตรวาัวธรามิกาอมบาศกเป็นผู้เกิดในทัน้นดุสิตบรรดาพระสนทั้งหลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ละผู้มีพระภาคผู้เจริญอวาสกนั้นเที่ยวชื่นชมในถํากลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาติในชาตินะาตอื่นอีก และพบอื่นอีกเลยพู้เดียวข้าสมเด็จพระบร ม, มศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิฆวีดูก่อนพิสุทธิ์ลายเป็นอย่างนั้นดูว่าทุกรมีกาอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่<ม>เขามีความรื่นเริงเป็นกรรมที่เป็นกุศลแต่เวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีมีความไม่ประมาท เพื่อนเชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นเครห์หักก็ตามจะเป็นบรรปลายก็ตามย่อมบันเทิงในโลกทั้งปวงที่นี้แต่ได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจี่ได้ตดรัสใบคาถานีว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง เขาห้ความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงร่าเรืองอยู่เป็นนิจเคลนเมืองค์สมเด็จพระธรรมสามติทิสแสดงพระธรรมเทศนาจบให้กล่าวว่ากุณลมากได้เป็นพระริยบุคุณมีระโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมเ ก, ก่าบาศก จะว่ากันโดยเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรแล้วไม่ได้ฟังนิทานกันการฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์จากทองเรื่องนี่ถ้าะกลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งเรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมาอย่างไง ทำไมท่านธรรมิเกา่ามาสกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เข้ารู้สึกว่าจะยากมากเพราะท่านเี่ยกเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายแยกเข้าได้กต่เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธบีดานุพระพุทธมารดาเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลิกท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจา้าที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม่ไม่ถึงรนิพพานยังไม่ถึงอรหัตตผลมีพระโสดาบันปฏิปริผลเป็นต้นคือพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าแยกถอยหลังถามคุณลงไป ว่าเทว ด, ดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนไปเกิดได้ง่ายที่สุดไม่ต้องตอว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทว ด, ดาทุกชั้นก็คือว่ า, วาถ้าเราทําคุณถึงความเป็นเทว ด, ดาชั้นไหนเราเกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนี้เพราะอะไรพระว่าการเกิดเป็นเทว ด, ดาไม่ใช่ของยากแล้วก็ไม่ใช่ของง่าย คุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดามีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายคือในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องเพิ่มเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นพระหันเข้าสู่นิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระทีกเป็นบุคคลที่เข้าถึงนิพพานก่อนคือนิพพานประวัดับพื้นนิจิตดับจากความชั่วหมดความชั่วในกัลโลภโทสะโมหะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมดหรืออราใดก็ตามที่เป็นนิจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มีสหนักใจใจเป็นสังขารุเปลขายานมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจะราคะความรักในเทศเฉยจะโทสะความโกรธและเฉยจะโลภความโลภ ไรจากโมหะความหลงมีอารมณ์ผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับดับความชั่วสมบทมีอารมณ์สนิทมีจิตเป็นสุข ให้าถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่สบายมีความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันห้าไม่มีใครหนีพน้นอาการที่จะพ้นจากการขันการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจากแก่เจ็บตายพระพเจ้าของรักของชอบใจไม่มีแต่ถ้ว่าอารมณ์ของอรหันต์นี้ พนไปได้จากอารมณ์แห่งความบนบายคืออารมณ์ยึดถือมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเดียวกับสัตว์ตั ว, วร่างกายเห็นร่างกายคนคนดีเห็นร่างกายสัตว์คนดีเห็นวัตถุธาตุคนดีอารมณ์ของพระอรหันต์ไม่มีความผูกพันในร่างกายของตนเองในร่างกายพวกมโหฬอื่ น, นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุ พระรหันมีรมดับความวุ่นวายหมายความว่าไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพระรหันทรงยอมรับนับถือธรรมดามันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดา เมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบกษษับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกายการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์นี่พระหันยอมรับนักเทวะอิ ก, การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวแฉะ อารมณ์ของบุคคลก็ไม่มีอาการส่งตัวประเดี๋วดีประเดียดเด๋ยวร้ายคนคนเดียวกันประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ดีเป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกมันโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่เพิ่งเกิดมีเกิดขึ้น เรื่องนี้พระรหันไม่ยงกลลอยมันเพราะว่าเป็นคนเลิกบ้าไปแล้วหรือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมีโยกเพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายังมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระหันมีอารมณ์สบาย มีอารมณ์ดับสนิทจากความเร่าเริงจะอำนาจขึ้นความรักอำนาจขึ้นความโลภอำนาจขึ้นความโกรธอำนาจขึ้นความหลงเ <istles> มื่อทุกคนทําจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอรหันต์ไม่ก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่า Jeez. ท่านพุทใดจะไปนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนิ่พระประดับเพื่อดับความชั่ว นี่ถ้าเราจะไปในรกเราเขาต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตายสัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างคือทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตร่างกายเขาของคนอื่น พยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์ืนให้รับความทุกข์จนถึงความตายอารมณ์ของเขาครุกคิ้นอยู่แบบนั้นเหตการที่สองอยากจะยื้อแย่างทรัพย์สมบัติเขาบคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำโดยที่เจยวของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทําด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้ว สามมีความปรารถนาจะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาผงแหนมาเป็นคู่ครองของตนที่เนคำว่ากามีสามมีลมในปรารถนาใครจะพูดปดพูดคำหยาพูดจอเสียดพูดเพื่อเจอิญแล้วไหลไอจีนะแล้วก็หา้าชอบดื่มสุราหร ม, มีไรของหมักดอง เพราว่าของกลั่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาทที่องค์สมเด็จพระบรมโาโลกก็น่ายแกล่าวว่าเราเมิดกดท่าแต่งารนี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรกถ้าเกิดเป็นเปลดแปลสุดรกายสติฉานไม่ต้องทำเลยก็ยังไปได้ เพราะว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริษษมศ า, าสัดาสมมาสมุทตจ้าทรงตรัสอย่างในเรื่องราวของมัณฑกุณลีเทพบุตรสมเด็จพระพูมีพระพายเจา้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยอักษาศิล์เขาไม่เคย ใหความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตเลื่อมใสเท่านั้นเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ไม่ใช่แต่พระเุณดลีเทพบุตรแต่คนเดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เลื่อมใสในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทำสักการะ ก็สามารถจะประสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จํานวนร้อยไม่ใช่จํานวนบาทพันไม่ใช่จํานวนหมื่นไม่ใช่จํานวนแสนมีมากกว่านั้นหลายเท่าแต่นอกไปจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าจิตเตสังคิติเต ท, ทุกขติปาทิการขาคนที่จะไยจะไปอบายในอบายอภูมิสีก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบรรญเเวณทั้งห้าประการเปลี่ยนได้เพียงอารมณ์คุ้นคิดอยู่อยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอบายภูมิได้จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวคนนางอะไรล่ละดิมเช่อเทียแล้วนางมานิกาเทวี ซึ่งเป็นมเฮสีเขาไมเจ้าประเสณนาธิโกศลอย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนะี่ยมีพระราชามีนามโกศลเหมือนกันหมดพระบรมราชินีนาถก็มีนามว่ามณีกาเทวีเหมือนกันกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันก็ไม่มีมณีกาเทวีหนึ่งไม่มีมณีกาเทวีสองมณีกาเทวีสาม ท่านทิ้งนามไว้เฉยๆเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะชื่ออะไรก็ช่างพอขึ้นมาเป็นพระบมราชนีก็มีนามว่ามณิกาเทวีตามท่ะบาลีท่านทรงตรัสว่าพระนางมณิกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยงามมากและก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้ามาก แนขณะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าสมพระนอยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูแต่วายทานไม่แพ้นางวิสาขาแต่ได้ ว, ว่ากรรมคนนางที่จะต้องไปลงนรกจนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือมีเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้อเท้า แต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เป็นปรากฏแต่เพรมคิดมีความเศร้าหมองของจิตนี่ก็ได้แก่ตามพระบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึ่งตอนเด็กเธอลุกปรานนาจะไปปัสสาวะแต่ถ้าว่ามันมืดไม่เวฟ้าอย่างสมัยนี้ลุกไป เท้าวขวาไปสะดุดเท้าของพระราชาสวามีเข้าเป็นเหตุให้มันนางเจ้าเสียใจมากก็ขึ้นเชื่อวกรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสําหรับพระนางเมื่อพระเจ้าประสเสนาธิโกศลมรมกษัตริย์เป็นบาปเท้าเธอก็ปลอบว่าไม่มีโทษน้องนางเจตนาร้ายของน้องไม่มีที่ให้อภัย แล้วคนที่เคยมีมัน ญ, ญาตดีจริยาดีไม่กระทบเขาหน่อยใจก็อจะหวันไหวเศร้าหมองไม่ได้เหตุฉะนั้นเมื่อเวลาที่นางตายจากความเป็นคนตายเป็นแล้วในขณะที่อาิบายไอโรมจิตมันไปคิดจะตรงนี้ว่าเราได้มีความชั่วนนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เอาเท้าไปสรุปเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจเป็นที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเราเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอาศัยที่เธอมีรมเศร้าหมองหน่อยหน่อยเดียวแต่ความจริงสร้างความดีไว้มากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปควา้าอารมณ์เศร้าหมองเขา้า เมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับบรรดาแผวเปล่าเต็มอานาจวาสนาบารมีเป็นเนาวขาแต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สดุดเท้าพระราชสวามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันมนุษย์นีน่และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพียงแค่เจ็ดวันมนุษย์เท่านั้น ถ้าหาวลานับวันในโลกก็ชี้ว่าประสักสองสามวินาทีก็ได้เป็นเวลาประเดี๋ยวเดียวนี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จตัวสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรื่อมใสจะเพราะในใจยังไม่เคยเคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทําอะไรทั้งหมดเพียงแต่เพียงเรืเร่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคต เขาฝุ่นนั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างไม่แต่กุณฑลีเทพบุตรเชนใดบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกำลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกยวนําน่าของความชั่วเพื่อทำตัวให้เศร้าหมองแด่แน่รมความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาจะตายใจน้อมไปในโวนที่จะทาที่เป็นอกุศล ก็สามารถทําตนให้ลงอบายะคุมได้ดังนั้นขอมรรดาโพวกท่านทั้งหลายจะเป็นบิสุเสมนเนนอมบาสุกอมบาสิกาก็ต า, ามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอมบาสกไว้ว่าธรรมิกาอมบาสุกตัดความชั่วความโลภแน่ไม่การให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสําคัญ รายการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จตุทรงท่านบรมศาสดาและพระอภิยส่์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมรายการที่สามท่านเป็นผู้ทรสงศีลบริสุทธิ์รายการที่สีท่านเป็นผู้มีกัญญานธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิต คนจากนิวนรณ์ห้าเบิกการมีอำนาจเหนือนิวนรณ์ห้าเบิกการความชั่วของอารมณ์คือนิวนรณ์ห้าเบิกการไม่สามารถจะทำลายท่านได้จะนอนก่อนที่ท่านจะตายจิตใจของท่านอยู่ในุ่นคิดในธรรมอยากจะฟังพระธรรมคำสอนสอยขององค์สมเด็จพระจินวนวได้แกมหาสติปัฏานสตร ดยท่านอ้างว่ามหาสติปัฏฐานาสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สมไม่ไม่ทรงละยังทรงจิตคิดอยู่ดำริอยู่ไค้ควรอยู่เสมอฉะนั้นบรรดาท่านอันไหลในสนะของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานาสูตรในกรรมฐานสี่สิบทนในทุกอย่างที่เพึงมีคติที่พึงปฏิบัต ท่านในสันดับแล้วทุกประการจากสำนักององพระองค์สมเด็จพระวิจิตมานคือจากคำสอนที่ราได้ฟังหากว่าท่านนังไลายไม่ประมาทอยู่ก็ชี้ว่าจะเป็นสาวกของ์สมเด็จพระบรมโอร o u r เต็มตัวที่เรียกว่าสมณะเพื่อทรงทําความดีอะไรท่านนังไลายลองดูเวลากันหมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุดดติไว้เด็กเดือนต้นนี้ ขอความสุขสวัสดีจะ ม, มีแด่ผู้รับฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดี